เพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อจะได้พัฒนาชีวิตจิตใจให้เจริญก้าวหน้าให้มีแต่ความสุขและความเจริญด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการฟังเทศฟังธรรมอาทิตย์ที่แล้วได้แสดงธรรมถึงความรู้ หรือคำสอนของพ่พุทธศาสนาว่าเป็นคำสอนเป็นความรู้ที่มีความสำคัญยิ่งกว่าความรู้ทางโลกเพราะความรู้ทางโลกนี้ไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนก็ตา่างยังถือว่าเป็นความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด เพราะความรู้ทางโลกไม่สามารถมาปดเปลื้องความทุกข์ความทรมานใจได้มีแต่ความรู้ทางพระพุทธศาสนาที่จะสามารถปลดเปลื้องและกำจัดความทุกข์ทรมานใจต่างๆให้หมดไปได้ถึงแม้จะเป็น ผู้มีการศึกษาถึงระดับปริญญาเอกก็ตามแต่ก็จะไม่อยู่เหนือความทุกข์และจะไม่อยู่เหนือการกระ ท, ทําที่เสียหายได้เช่นคนที่จบปริญญาเอกไปติดคุกติดตารางก็มีทุกข์ทรมานใจอย่างมากก็มีเพราะความรู้ทางปริญญานี้ไม่ได้สอนให้รู้จักวิธี การปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของความดีงามทั้งหลายต้องมีคำสอนของพระพุทธศาสนาท่านั้นที่จะสามารถสอนให้คนเราตั้งอยู่ในความถูกต้องดีงามได้ความรู้ทางพระพุทธศาสนานี้มีอยู่เจ็หัวข้อด้วยกันคือข้อที่หนึ่ง ให้รู้เหตุข้อที่สองให้รู้ผลข้อที่สาให้รู้ตนข้อที่สี่ให้รู้บุคคลข้อที่หให้รู้สังคมข้อที่6ให้รู้กาละเทสะและข้อที่เจให้รู้ประมาณนี่คือความรู้ที่จะทําให้เราสามารถอยู่ในโลกนี้ ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขปราศจากความเสื่อมเสียความทุกข์ทรมานใจทั้งหลายได้คราวที่แล้วก็ได้พูดถึงเรื่องเหตุและผลคือให้รู้ว่าเหตุคืออะไรให้รู้ว่าผลคืออะไรเหตุก็คือการกระทำของเรานี่เองเช่นการกระทำทางกายทางวาจา และทางใจทางใจก็คือความคิดของเราทางวาจาก็คือคำพูดของเราและทางกายก็คือการกระทาต่างๆท่านสอนว่าถ้าทำดีก็จะได้ผลดีผลก็คือสิ่งที่จะตามมาจากเหตุให้รู้ว่าผลนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความปรารถนา ความปรารถนาไม่สามารถทำให้ผลที่ตนปรารถนาเกิดขึ้นได้เช่นปรารถนาจะมีความร่ำรวยแต่ถ้าเราไม่สร้างเหตุที่จะทำให้เกิดความร่ำรวยปรารถนาไปอย่างไรก็ไม่เกิดผลหรือจะไปขออธิษฐานยากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ร่ำให้รวยก็ไม่ใช่เป็นเหตุที่จะทำให้ผล คือความร่ำรวยเกิดขึ้นได้ผลของความร่ำรวยต้องเกิดจากการขยันหมั่นเพียรทำมาหากินแล้วก็รู้จักใช้เงินใช้ทองรู้จักเก็บไม่ใช่หามาได้เท่าไหร่ก็ใช้มันหมดถ้าอย่างนี้ก็ไม่มีทางร่ำรวยได้หาได้มามากน้อยก็ต้องรู้จักเก็บเก็บให้มากใช้เท่าที่จำเป็น ถ้าอย่างนี้แล้วไม่นานเงินทองก็จะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะกลายเป็นคนร่ำรวยไปได้นี่คือเหตุและผลให้เรารู้ว่าผลต่างๆที่เราต้องการนี้มีเหตุเหตุนี้ก็ไม่ใช่มาจากที่ใครมาจากที่ตัวเรานี่เองกายวาจาใจของเราอตตาหิอตโนนาทโถตนเป็นที่พึ่งของตน อย่าไปหวังพึ่งคนอื่นเพื่อที่จะให้ได้ผลที่เราต้องการเพราะไม่แน่นอนถ้าเขามีความเมตตาเขาก็อาจจะทำให้เราได้แต่เขาจะไม่สามารถทำให้เราได้ไปตลอดเพราะเขาก็อยู่ภายใต้กฎของอนิจจงคือเขาก็มีแก่มีเจ็บมีตายไปเป็นธรรมดาถ้าเราหวังพึ่งเขาไปตลอดถ้าเกิด เวลาใดเขาเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยพิกพิการหรือตายไปเขาก็ไม่สามารถหารือทาสิ่งที่เราต้องการได้พระพุทธเจ้าจึงสอนว่าให้เรายึดหลักอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนให้สร้างเหตุของเราเองคือการกระทาําทางกายทางวาจาและถามใจถ้าเราสร้างเหตุที่ดี ผลที่ดีก็จะตามมาถ้าเราสร้างเหตุที่จะนามาซึ่งความเจริญผลที่ผลคือความเจริญก็จะตามมานี่คือเรื่องของการให้รู้เหตุและรู้ผลให้รู้อย่างนี้ให้รู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราต้องการคือผลนี้เกิดจากเหตุและก็ต้องเกิดจากการกระทําของเราคนอื่นนั้นทําให้เราได้เพียงบางส่วนเท่านั้น แต่จะทำให้เราทั้งหมดไม่ได้เช่นพ่อแม่ของเราก็เลี้ยงดูเรามาได้ให้เราโตขึ้นมาพอเราโตแล้วเราก็ต้องพึ่งตัวเราเราจะไปพึ่งพ่อแม่ตลอดไม่ได้เพราะพ่อแม่นี้ก็จะต้องแก่ชราลงไปแล้วก็ต้องตายจากเราไปในที่สุดถ้าเราพึ่งพ่อแม่อยู่ตลอดเวลาเวลาพ่อแม่จากเราไปแล้วเราก็จะไม่สามารถพึ่งใครได้ ตัวเราเราก็พึ่งไม่ได้เพราะเราไม่เคยพึ่งตัวเราเองเราไม่รู้ว่าวิธีพึ่งตัวเราเองเป็นอย่างไรนั่นเองดังนั้นในขณะนี้เราจึงควรพยายามศึกษาวิธีพึ่งตัวเองแล้วพยายามทาตัวเองให้เป็นที่พึ่งของตัวเองให้ได้เพราะเมื่อเรามีที่พึ่งในตัวเราแล้วเราก็จะได้มีที่พึ่งอย่างถาวร และเราก็จะได้สิ่งต่างๆที่เราปรารถนาได้นี่คือเรื่องของการรู้เหตุและรู้ผลส่วนเรื่องของการรู้ตนนี้ท่านหมายถึงให้เรารู้จากสถานภาพของเราเรามีสถานภาพหลายอย่างด้วยกันเราต้องรู้และเราต้องปฏิบัติตัวเราให้เหมาะสมกับสถานภาพของเรา เช่นเราเป็นหญิงหรือเราเป็นชายเราก็ต้องปฏิบัติฐานะสถานภาพของหญิงของชายให้ถูกไม่ใช่เป็นผู้ชายแล้วทำตัวเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้หญิงแล้วไปทำตัวเป็นผู้ชายอย่างนี้ก็จะเป็นที่รังเกียจเป็นที่คาราหาเป็นที่สงสัยว่าคนนี้มีสติปัญญาหรือไม่คนนี้เพี้ยนหรือเปล่า คนนี้เสียสติหรือเปล่าถ้ามีคนสงสัยในสถานภาพในความรู้ความสามารถของเราเราก็จะไม่มีใครที่จะสนับสนุนหรือเกี่ยวข้องกับเราดังนั้นเราต้องศึกษาว่าเรานี้เป็นใครตอนต้นเราก็ต้องรู้ว่าเรามีเพศอะไรเป็นหญิงหรือเป็นชาย เมื่อเรารู้แล้วเราก็จะได้ทำตัวของเราให้ถูกต้องนอกจากรู้ว่าเป็นหญิงเป็นชายก็ต้องรู้ว่าเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ตอนนี้เราเป็นเด็กหรือเราเป็นผู้ใหญ่เป็นเด็กก็ต้องมีหน้าที่อย่างหนึง่งเป็นผู้ใหญ่ก็มีหน้าที่อย่างหนึง่งและเมื่อโตขึ้นมาแล้วก็ต้องรู้ว่าเราเป็นโสดหรือเราแต่งงานแล้วเรามีสามีมีภรรยาแล้ว หรือเราเป็นโซนคนที่เป็นโสนก็ต้องรู้จักวิธีการอยู่แบบคนโสดคนที่เป็นคนที่มีครอบครัวแล้วก็ต้องอยู่แบบคนที่มีครอบครัวถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้อง <c oughs> ก็จะเกิดความเสียหายขึ้นมาได้นอกจากนั้นเรายังมีฐานะอย่างอื่นอีกเช่นเราไปบวชหรือเปล่าเราเป็นนักบวชหรือเราเป็นคารวา ถ้าเราเป็นนักบวชเราไปบวชเราก็ต้องปฏิบัติตัวให้เหมาะสมกับการเป็นนักบวชไม่ใช่เวลาบวชแล้วทำตัวเป็นคาราวาสอย่างนี้ก็จะเป็นที่รังเกียจและจะไม่สามารถอยู่แบบนักบวชได้เพราะนักบวชเขาก็มีกฎมีระเบียบที่จะต้องปฏิบัติตามนี่คือเรื่องของการดื้ลนเป็นอย่างนี้ เราต้องรู้ว่าตัวเราเป็นอะไรแล้วเราพยายามทำตัวเราให้ถูกต้องกับสถานภาพของเราแล้วเราก็จะได้ไม่เป็นที่รังเกียจของสังคมและเราจะได้สามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างปกติและสามารถทำกิจกรรมต่างๆให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้ นี่คือเรื่องของการรู้ตนส่วนเรื่องการรู้บุคคลก็คือรู้จักผู้อื่นนั่นเองคนที่เรารู้จักนี้เขาก็มีหลายสถานภาพด้วยกันมีทั้งเช่นมีมีคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เรามีคนที่เป็นพี่เป็นน้องเรามีคนที่เป็นเพื่อนเรามีคนที่เป็นสามีเป็นภรรยาเรามีคนที่เป็นลูกเป็นหลานเรา มีคนที่เป็นเจ้านายเรามีคนที่เป็นลูกน้องเราอย่างนี้เป็นต้นบุคคลต่างๆนี้เราต้องศึกษาให้รู้จากสถานภาพของเขาเพื่อเราจะได้ปฏิบัติกับเขาให้เหมาะสมกับสถานภาพของเขานั่นเองเพราะคนเหล่านั้นมีสถานภาพที่แตกต่างมีสูงมีต่ำมีดีมีไม่ดีเราต้องรู้จัก แยกแยะแล้วจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องคนที่สูงกว่าเราเราก็ต้องให้ความเคารพคนที่ต่ำกว่าเราเราก็ต้องให้ความเมตตากรณุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วเราก็ต้องรู้ว่าเขาเป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดีคนไม่ดีเราก็ไม่ควรคบค้าสมาคมด้วยเราควรจะคบแต่คนดี ดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนว่าเอเซวนาจะบาลานังบ ja, ันดิตานันจะเซวนาเอตัมมังกลมุตตมังท่านตรัสว่าให้คบบันดิตอย่าคบคนพาล น, นี่คือมงคลที่สูงสุดเพราะการครบบันดิตคือคนดีจะเป็นประโยชน์กับเราคนดีเขาก็จะชวนให้เราไปทำสิ่งที่ดี ไปทำความดีแล้วเมื่อเราได้ทำความดีเราก็จะได้พบกับความสุขและความเจริญถ้าเราพบพบกับคนไม่ดีเขาชวนเราไปทำสิ่งที่ไม่ดีเราก็จะต้องได้รับความเสื่อมเสียตามมาคนไม่ดีนี่ชอบทำอะไรคนไม่ดีชอบเล่นการพนันชอบเสพสุรายาเมาชอบเที่ยวกลางคืน ชอบคบคนชั่วเป็นมิตรชอบความเกลียดค้านถ้าเราเจอคนอย่างนี้เราอย่าไปคบค้าสมาคมกับเขาแต่ไม่ได้หมายความว่าให้รังเกียจเขาแต่ควรจะอยู่ห่างๆมองเขาว่าเป็นเหมือนกับงูพิษก็แล้วกันเราเห็นงูพิษความจริงเราไม่ต้องไปทุบไปตีเขาเพียงแต่เราอย่าไปเข้าใกล้เขาก็พอการไปฆ่าเขานี่ก็ เป็นการกระทำที่ไม่ดีทำให้เราเป็นคนไม่ดีได้ถึงแม้เขาจะไม่ดีอย่างไรเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปฆ่าเขาอย่างมากที่เราทำได้ก็คือป้องกันตัวเราอย่าให้เขามาทำร้ายเราเท่านั้นเองคือเราก็ควรที่จะอยู่ห่างๆหรือถ้าจำเป็นก็จับเขาขังไว้ในในกรงก็ได้เช่นคนไม่ดีเราก็ไปแจ้งตำรวจ ให้ตำรวจมาจับไปเข้าขังในคุกขังตารางถ้าเห็นสัตว์ร้ายออกมาเพ่นพ่านก็ช่วยกันจับเอาไปใส่ไว้ในกรงแต่อย่าไปฆ่าอย่าไปรังเกียจเราต้องมีความเมตตากับทุกคนไม่ว่าจะดีหรือชั่วดังบทเมตตาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ท่านไม่ได้แยกแยะว่าต้องมีความเมตตาต่อคนดีเท่านั้นท่านว่าสัตย์สัตตาต้องมีความดีกับทุกๆกคนไม่ว่าดีหรือชั่วเราต้องไม่เบียดเบียนเราต้องไม่ทำร้ายผู้อื่นเสมอถึงแม้เขาจะทำร้ายเราท่านก็สอนให้เราให้อภัยเพราะการโกรธแค้นการมีความอาฆาตพยาบาทนี้เป็นอันตรายต่อจิตใจ ยิ่งกว่าบุคคลที่เขาทำร้ายเราอีกหลายร้อยเท่าด้วยกันเพราะเวลามีความโกรธแค้นมีความอาฆาตพยาบาทใจของเราจะร้อนเป็นไฟเหมือนตกนรกทั้งเป็นแต่พอเราให้อภัยได้เราไม่จองเวรจองกรรมได้ความอาฆาตพยาบาทความโกรธแค้นนี้ก็จะดับไปทำให้ใจเราสงบเย็นเป็นเหมือนสวรรค์ขึ้นมาทันที ดังนั้นเราจึงต้องมีความเมตตาต่อผู้อื่นไม่ว่าเขาจะดีหรือจะชั่วแต่อย่างไรแต่สิ่งที่เราควรจะทำก็คือเราไม่ควรเข้าใกล้กับคนไม่ดีนั่นเองแต่ถ้าเรายังมีความจำเป็นที่ต้องอยู่ร่วมกันกับเขาเช่นคนในครอบครัวเราบางคนเขาเป็นคนไม่ดีแต่เขาเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่ของเราเราก็ยังต้องอยู่กับเขา แต่เราอย่าให้เขาพาเราไปในทางที่ไม่ดีเวลาเขาชวนเราไปกินเหล้าเราก็อย่าไปกินอย่าไปถือว่าเขาเป็นพ่อหรือเป็นแม่เราเราต้องถือว่าสิ่งที่เขาชวนนี้เป็นสิ่งที่ไม่ไม่ดีเป็นโทษกับเราพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้เรากระทำเราไม่ต้องเกรงใจเขาว่าเขาเป็นพ่อหรือเป็นแม่เราไม่จาเป็น การกระทำในสิ่งที่ไม่ดีนี้ไม่ว่าใครจะมาชวนก็ตามต่อให้พระอาหารหันต์มาชวนให้เราไปไปทาในสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ต้องไปฟังไม่ต้องไปเชื่อแต่ไม่มีพระอาหารหันต์ในโลกนี้ที่จะสอนให้เราไปทำความเชื่อพระอาหารหันต์ทุกรูปจะสอนให้เราทาความดีสอนให้เราละการระทาความช่วทั้งหลาย ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าอย่าไปคบคนชั่วเพราะเขาจะพาให้เราไปทําความชั่วนั่นเองแต่ถ้าเรายังจําเป็นต้องอยู่ใกล้เขาเนื่องจากมีความจําเป็นเช่นอาจจะทํางานร่วมกันก็ทําการทํางานไปแต่พอเลิก ง, งานเขาชวนเราไปกินเหล้าเราก็ไม่ต้องไปกับเขาเราก็ขอตัวกลับบ้านไปก็เท่านั้นเอง ไม่ต้องไปเกรงใจไม่ต้องไปกลัวว่าเขาจะโกรธเราหรือจะเกลียดเราเรื่องนี้เราห้ามเขาไม่ได้เขาจะโกรธก็เรื่องของเขาเขาจะเกลียดก็เรื่องของเข า, เข า, เเขเขาแต่เราอย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดเขาก็แล้วกันเท่านี้ก็ไม่เป็นปัญหาถ้ามันอยู่ด้วยกันไม่ได้ต้องแยกทางกันไปเดี๋ยวถึงเวลาก็จะต้องแยกทางกันไปเอง แต่ในขณะที่ยังต้องอยู่ด้วยกันก็ทนกันไปก็แล้วกันแต่อย่าไปสนุนสนมกับเขาเพราะความเก่งโอเก่งใจเพราะเขาอาจจะเป็นเจ้านายของเราแล้วเรากลัวว่าเขาจะไม่เลื่อนเลื่อนขั้นเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งหรือเลื่อนเงินเดือนให้กับเราเราอย่าไปเสียดายสิ่งเหล่านี้ขอให้เราเสียดายความดีที่เราจะต้องเสียไป ถ้าเราไปทำความชั่วกับเขาถ้าเราต้องออกจากงานเพราะว่าเราไม่สามารถทำตามความชั่วของเขาได้ก็ควรจะยินดีที่ออกจากงานดีกว่ามาเสียเนื้อเสียตัวแล้วได้เงินทองมาเป็นสิ่งแรกเปลี่ยนเพราะความดีนี้เป็นสมบัติที่แท้จริงของเราส่วนเงินทองนี้ไม่ใช่สมบัติที่แท้จริงเวลาเราตายไปเราเอา เงินทองไปกับเราไม่ได้แต่เราจะเอาความดีกับความชั่วที่มีอยู่ในตัวเรานี้ไปกับเราถ้าเรารักษาความดีไว้ได้เราก็จะมีความดีติดตัวไปถ้าเรารักษาความดีไว้ไม่ได้เราก็จะมีความชั่วติดตัวไปนี่คือเรื่องของการรู้บุคคลเราต้องรู้จักแยกแยะคนดีคนไม่ดีคนดีก็คบคนไม่ดีก็อย่าไปคบ นี่เรื่องนี่คือเรื่องของการรู้จักบุคคลเรื่องสังคมก็คือให้เรารู้ว่าสังคมที่เราอยู่นี้เขามีกฎมีระเบียบอย่างไรมีขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างไรเราอยู่กับเขาเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎตามระเบียบตามประเพณีที่ดีงามแต่ถ้าเป็นกฎระเบียบที่ไม่ดีเป็นประเพณีที่ไม่ดี เราก็ควรที่จะพิจารณาตัวเราว่าบางทีเราอาจจะไม่ควรจะอยู่ในสังคมนี้ก็ได้ถ้าเราอยู่ในสังคมของโจรอย่างนี้เป็นต้นสมมติว่าเรามาเกิดในครอบครัวของโจรมีพอ่อแม่เป็นโจรชอบขโมยชอบทำบาปทำกรรมอย่างนี้เป็นต้นแล้วเราต้องทำกับเขาแต่ถ้าเราเคยได้ สะสมบุญสะสมความดีมาเราจะมีความรู้สึกขยันขยงต่อการทําบาปทํากรรมถ้าเรายังไม่สามารถที่จะแยกตัวเราออกจากเขาได้เราก็ต้องอยู่ไปก่อนแต่พยายามหลีกเลี่ยงทําความชั่วทําบาปทํากรรมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จนกว่าเราจะสามารถ แยกตัวเราออกจากสังคมของเขาได้แล้วเราก็ควรจะออกไปควรจะไปอยู่กับสังคมของคนดีเพราะว่าคนดีนั้นจะทำแต่ความดีนั่นเองดังนั้นเราต้องรู้ว่าสังคมที่เราอยู่นี้เป็นอย่างไรสังคมที่มีแต่การกระทาผิดศีลผิดธรรมมีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดมดเทศ เศฟษรายามาอย่างนี้เรียกว่าเป็นสังคมที่ไม่ดีเราไม่ควรที่จะเข้าไปอยู่ในสังคมนั้นเราควรจะไปหาสังคมที่ดีเช่นเราไปอยู่ตามวัดต่างๆจะเป็นสังคมที่ดีเพราะในวัด น, นี้คนที่อยู่ในวัด น, นี้เขารักษาศีลกันเขารากเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักเว้นจากการลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณี พูดปดเสพสุรายาเมาเป็นตน้นถ้าเราอยู่ในสังคมแบบนี้เราก็จะดีตามไปด้วยเราจะเราจะได้ไม่ต้องฆ่าสัตว์ไม่ต้องรักทรัพย์ไม่ต้องประพูดผิดประเวณีไม่ต้องพูดปดและไม่ต้องเสพสุรายาเมาเมื่อเราไม่ทําในสิ่งที่ไม่ดีชีวิตของเราก็จะมีแต่ความสุขและความเจริญเพราะเหตุนั้น อยู่ที่การกระทําของเรานั่นเองผลคือความสุขความเจริญหรือความทุกข์หรือความเสื่อมเสียก็เกิดจากเหตุนี่เองและเหตุส่วนหนึ่งก็อยู่ที่การรู้จักสังคมรู้จักเลือกสังคมอยู่ถ้าสังคมที่เราอยู่เป็นสังคมไม่ดีก็อย่าไปอยู่ไปหาสังคมที่ดีถ้าหาสังคมที่ดีไม่ได้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้อยู่คนเดียวดีกว่า อยู่คนเดียวแลเราก็สามารถที่จะทำแต่สิ่งที่ดีที่งามได้ถึงแม้จะลำบากบ้างจะยากเย็นบ้างแต่ก็ดีกว่าไปอยู่ในสังคมที่จะทำให้เราเสื่อมเสียอย่างพระพุทธเจ้าท่านเป็นกษัตริย์แต่ท่านเห็นสังคมของกษัตริย์ว่าเป็นสังคมที่ไม่ดีพอสำหรับท่านยังมีการฆ่ากันเพราะว่าเป็นกษัตริย์นี้ก็ต้องมีการปกป้องราชบัลลังก์ ต้องมีการต่อสู้ทำสงครามกันแล้วก็เวลาอยู่ในยามสงบก็จะมีการหาความสุขจากอบายามุขต่างๆจากการประพฤติปฏิเวณี I, จากการเสพสุรายาเมาท่านจึงเห็นว่าการอยู่เป็นกษัตริย์นี้ไม่ได้เป็นสังคมที่ดีเลยท่านจึงหนีออกจากพระราชวังแล้วไปอยู่ในป่าคนเดียวไปอยู่กับพวกนักบวช พวกที่ถือศีลพวกที่ตั้งอยู่ในความดีงามท่านจึงได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้เพราะท่านรู้จักเลือกสังคมนั่นเองถึงแม้ว่าท่านจะเกิดมาในสังคมของกษัตริย์ซึ่งในสายตาของคนทั่วไปจะถือว่าเป็นสังคมที่ประเสริฐที่สุดในบรรดาสังคมทั้งหลายแต่พระพุทธเจ้าท่านมีปัญญา ท่านได้สะสมปัญญาบา ร, รมีมามากแต่ทําให้ท่านเห็นว่าสังคมกษัตริย์นี้ก็ยังไม่ดีพอไม่ดีเท่ากับสังคมของนักบวชสังคมของสมณะนักบวชผู้แสวงหาความสงบผู้แสวงหาความไม่เบียดเบียนผู้แสวงหาความหยุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนี่เป็นสังคมที่เลิศที่สุดถ้าเราอยากจะเลือกสังคมที่เลิศ ก, ก็ขอให้เราเลือก สังคมของนักบวชวันนี้เรายังอาจจะมีภาระต่างๆที่ทำให้เราไม่สามารถแยกออกจากสังคมของนักบวชได้ให้สังคมของที่เราอยู่ได้แต่ถ้าเราพยายามเชื่อได้ว่าไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งเราก็จะแยกตัวเราออกจากสังคมที่เราอยู่เพื่อก้าวเข้าสู่สังคมของนักบวชได้เพราะนักบวชทั้งหลายเขาเวลาเกิดมา เขาก็ไม่ได้เกิดในสังคมของนักบวชเพราะนักบวชไม่มีครอบครัวไม่มีลูกคนทุกคนที่เกิดมานี้ต้องเกิดมาในสังคมของคนที่มีกิเลสมีมีการทําบาปทํากรรมอยู่แต่ถ้ามีปัญญามีความปรารถนาที่อยากจะอยู่ในสังคมที่ดีกว่าก็สามารถที่จะปลีกตัวไปได้ดังนักบวชทั้งหลายที่เขาทํากัน นักบวชเหล่านี้เขาได้สะสมบุญบรารมีเขาได้ศึกษาเรื่องสังคมมาหลายภพหลายชาติแล้วจนทำให้เขามีปัญญาแยกแยะได้ว่าสังคมไหนดีสังคมไหนสังคมไหนไม่ดีพอถึงเวลาที่เขาสามารถแยกตัวออกจากสังคมที่เขาอยู่ได้เขาก็จะแยกตัวออกไปแล้วก็ไปเข้าอยู่ในสังคมของนักบวชและปฏิบัติธรรมจนได หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวงทั้งหลายนี่คือการรู้จักสังคมการรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือรู้จักกาลเทศะการรู้จักกาลเทศะก็คือต้องรู้เวลาและสถานที่ว่าเขามีการกระทําอะไรอย่างไรควรจะประพฤติตัวเราเองให้เหมาะสมกับ การลสถานที่อย่างไรเช่นเราไปงานศพเราก็ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวไว้ทุกและเราต้องอยู่ในอารมณ์ที่สำรวมอยู่ในอารมณ์ที่สงบไม่ใช่ไปหัวระไปกระโดดโลดเต้นร้องนำทำเพลงในงานศพอย่างนี้เป็นต้นหรือเวลาที่เรามาวัดแล้วกนำนัมมีการกระทาพิธีกรรมต่างๆอยู่ เช่นมีการขอสี่มีการถวายสังฆทานหรือมีการฟังเทศฟังธรรมเราก็ต้องรู้ว่าเราควรจะทำอย่างไรในเวลานั้นเราก็ต้องตั้งอยู่ในความสงบต้องรอให้การกระทำต่างๆเหล่านี้ผ่านไปก่อนถึงแม้เราอยากจะนาอาหารข้าวหวานมาถวายพระเราก็ต้องรอไว้ก่อนรอให้เขาทำ การพิธีกรรมต่างๆให้เสร็จเรียบร้อยก่อนถ้ามีการสอขอศีลเราก็ควรจะนั่งขอศีลไปกับเขาถ้ามีการกล่าวถวายสังฆทานเราก็ควรจะกล่าวถวายสังฆทานเวลามีการฟังธรรมเราก็ควรจะนั่งฟังธรรมเวลานั่งรับพอ่อนเวลาพระสงฆ์สวดอนุโมทนาเราก็ควรจะนั่งรับพอรอไปก่อนอย่าไปทำในสิ่งอื่นที่ไม่ควรจะระทำ สิ่งอื่นนี้เรารอทำทีหลังได้พอพระสงฆ์ท่านอนุโบทนาให้พรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ยังนำเอาของข่าวของหวานสิ่งต่างๆที่เราอยากจะถวายพระนำเข้ามาถวายได้ต่อไปนี่คือเรื่องของการรู้จักกาลเทศะถ้เาเราไม่รู้จักกาลเทศะแล้วเราจะทำให้เกิดความเสียหายได้เช่นตอนนี้มีการฟังเทศฟังธรรม ถ้ามีใครเดินเอาของเข้ามาถวายอย่างนี้มันก็จะทำให้การทัางเทศฟังธรรมหรือการแสดงธรรมนี้สะดุดไปได้จึงก้งรู้จักการละเทวิเพราะไม่ชนะแล้วเราจะกลายเป็นตัวตลกไปเราจะกลายเป็นคนแปลกไปเราจะเป็นคนที่คนเ้าตําหนิเ็าจะหาว่าเรานี่ไม่รู้ไม่รู้เหนือรู้ใต้ไม่มีตาไม่รู้จักตาหน้าตาเลือ เพราะทำอะไรโดยไม่รู้จักกาลรระเทสะนั่นเองประการสุดท้ายสิ่งที่ท่านสอนให้เรารู้ก็คือให้รู้ประมาณคำว่าประมาณก็คือให้รู้จักความพอดีมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีต้องพอดีเหมือนเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ใหญ่เกินไปก็ไม่ดีเล็กเกินไปก็ไม่ดีเสื้อผ้าต้องได้ขนาดของเรา รองเท้าก็ต้องได้ขนาดของเราการใช้ใจ่ายเงินทองก็ต้องพอดีกับฐานะของเราเรามีน้อยเราก็ต้องใช้น้อยเรามีมากเราก็ใช้มากได้แล้วก็เรื่องของการบริโภคปัจจัยสี่ก็ต้องรู้จักพอดีเช่นรับประทานอาหารมากเกินไปก็ไม่ดีจะทำให้เราอ้วนถ้ารับประทานน้อยเกินไปก็จะทำให้เราผอม น่าจะทำให้เราเกิดโลกภยัยค่าเจ็บเบียดเบียนได้มีเสื้อภาามากเกินไปก็ไม่ดีเพราะมันเกะกับโลกบ้านปอบมีน้อยเกินไปก็ไม่ดีต้องมีพอดีทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีความพอดีถ้าไม่มีความพอดีแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เสียหายได้นั่นเองดังนั้นเราจึงต้องรู้จักความพอดีของเราว่าอะไร คือความพอดีของเราเพราะคนเรามีสถานภาพที่ต่างกันคนรวยเขาก็กินแบบหนึ่งได้คนจนก็ต้องกินอีกแบบหนึ่งจะไปกินเหมือนคนรวยก็ไม่ไหวเพราะคนรวยเขามีเงินมากกว่าเราจะซื้อรถก็เช่นเดียวกันจะซื้อรถตามคนรวยเขาก็ไม่ได้ถ้าเรามีไม่มีเงินพอที่จะซื้อก็อย่าไปดิ้นรนซื้อเงินผ่อนจ่ายเงินผ่อน ก็เดี๋ยวก็ไม่มีปัญญาที่จะผ่อนได้ก็ต้องถูกเขายืดลดคืนไปอยู่ดีขอให้ซื้อขอให้ซื้อตามกำลังตามฐานะของเราคนเรามีความสุขได้ทุกสถานภาพรวยก็มีความสุขได้จนก็มีความสุขได้ถ้าเรารู้จักความพอดีถ้าเราไม่รู้จักความพอดีแล้วเราจะถูกตันหาความอยากคอยกระตุ้นให้เราอยากได้ตามคนอื่นเขา แต่เราไม่มีปัญญาเมื่อเรามีความอยากแล้วเราทําตามความอยากไม่ได้เราก็จะทุกข์ทรมานใจไปเปล่านั่นเองดังนั้นเราจึงต้องรู้จักความพอดีอรู้จักประมาณถ้าเรารู้แล้วเราก็จะสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขอยู่ได้อย่างมีความสบายใจนี่คือเรื่องของการรู้ความรู้ทางพระพุทธศาสนา ที่จะทำให้ชีวิตของเรานี้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขอยู่อย่างปราศจากทุกอันตรายทุกทรมานใจต่างๆยังขอฝากเรื่องของการรู้ทั้ง7ประการนี้คือรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้บุคคลรู้สังคมรู้กาลาเทศะและรู้ประมาณ ให้ท่านได้นำไปพินิษพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนตรยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบางเพินกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญ ด้วยอายุมานัสุขะภละโดยทั่วหน้ากันเธอ